เลีงนาวยันีนต้องเด็สายตามองเห็นชิ้นดวงเหเจยันตับต้องเั มีชามีกาแฟมีชาหวานมีตุ้งแดงมีตุ้งขาอางจันทร์หรืออเมริกาโนอย่างใจร้อนอาจันทร์โกล เป็นตําแหน่งที่เป็นอุปการะขึ้นมาแล้วขึ้นมาเนี่ยมันจะมักจะขึวนมาขึ้นไปอยู่ใน เหนิอสุดที่เหนือเหนือทางไหนก็ตกใจไม่มีสื่อเล้วสื่อนั่นเหนือเหนือ ชาโดยการให้เกิดบรรยากาศ้างๆขึ้นทำากขึ้ก็เพื่อเพกจารการลิตของานการศึกษาบางท่านก็เคเจ้าพนานที่เมาปฏิบัติเจ้าพนักานท่าอยากไป แต่การเป็นผู้ใปกงวมือย่ทีวเอ่าเยเะนีพาราเาิที่หมอเป็นมีท่านเ้อเรื่เริ่านเจ้าขน คามรู้ากวาใภลของาาร้าีั่โา้างนันาาทากา่ันว่าเด็กหญินอ่นหนังสยอ มันไม่งปิหน้าคือแข็งมากอยาไปไกปด้เยนัด่เราไปไป้นเอา ท, ท่านไม่เชื่ท อ, อ, อ, อท่า น, า น, นาตนั้นันน่งอ่านค า, าถาไคสู้กลมกลมก็กลัวตั้งนั่งอ่ันค า, าถาอะไรโอ้ยพอเช็ดจับลมแล้วก็ฮะทีนี้ท่านดีข้อความใจปัญหาตรงไหนหาแล้วท่านงฆ์ทำงานรักษาหมาหมานี่เขาก็ถามว่าถามว่าเอาตัวเต่าเ การดูดีมั่นกำลังท้ามือสูหน้าเดือยเวลนอนข้งเตีตื่นข้างเตียงตรงนั่งสมาธิถือทั้งสองไปประจำไม่ชังใจจนสุดเวลาท่าน นอนทำงนท้งตื่นทั้งเดินรักษาหน้าที่การงานที่เป็นประจำคุณภาพงานเกิดขึ้นได้มีชีวิที่ดีคุณาทำงานเราสู้ชาติมีเยอะแยะมี่เป็นสมาชที่เกียวชืที่มีเยอะแยะ ถ้ารจับใจแล้วเวลาทาเช่นนี้จะทำใหสัมผัสกับใจตตเมื่อสัมผัสกับใจตลอดก็เรียกว่าทำกับใจตนั่งสงบ้ในใจจะสงเราไม่เคยเข้าใจมีหมายถึงผ้าปักผแต่ทาง้าสัที่เป็นีเนื่อ ลมีมาเรื่รองนั้นเรื่องนี้ไปมันก็ิดันั้นไม่สมนิทากหนดภวนาเฉยเสยีจะไม่ไม่ฟังนี้นก็ได้เราไะเรยนภาวนาไปเสียล ท, าทแต่เวลาช้าปฏิบเป็นเลยเหมอวาใจจนั่นงขงมเนใจจะนั่งขมาเสียหลเียงทงนะั้น เมื่อจุดนั่นมีสติรหาหาักษาตลอดตลอดเรียกว่าใจมีอารัขาความคิ ด, ด, ดหาหาความตืนของใจที่ขอเราของเพื่นก็ไม่ออกฤทธไม่ขับดันไปเพื่อนโดยมีจิสงบสงบแน่วแน่หนักจิตกรไม่ มีจัดติดต่สั่งเบียบา ตั้งใจนานๆผมได้มาฟังเสียงเสียงรนอกนเป็นเสียงเงินรื่เรื่องทีหาออกมาจากหัวใจโค่ใส่หูใส่ตาการฟากนจากรเาไม่ถดจักเดยินเสียงปัดเสียงอยน หรืออาีดีมดีเดิีแค่มนเราจึงถือโอกาสเพื่อ่ประชาธิปไตมากว่าเท่สาเพราะมีผมโอกาสว่าน้นัน้นท่านลีชันที่มาทงสนอับเนขเป็นผู้ื่กอใจให้มีความชัแม้จะ่ชั่ง อย่ในานเป็นคู่ฟังอัดฟังแต่ก็ยังได้นับสัมผัสเสียงอัดเสียงคำเข้าสู่ใจอารม์ เป็นชี่อตลอดไปและเป็นคูนเป็นไฟเขามันโลกหน้าทอดไปเช่นเดียวกันธรรมะเป็นน้ำตับไฟหนึ่งมีความโศกใจปฏิบัติและฝังอัดสัมสังข์สังยอมมีโอกาสที่จะดูดอัดสัมเป็นลำหักลำดาเช่นเดียวกับเรด้วยเหตุนี้ เส็นเสมอกันในยือ Aladdin, Aladdin, Aladdin, Aladdin. ่องของธรรมกับพิเที่มีหัวใจของสัตว์โลกใครมีความสนใจทางด้านใดถึงนั้นจะตอบรับในด้านนั้นๆานนั้นเพราะอิเลก็มีอยู่ที่จธรรมะก็มีอยู่ที่จและจะนำและจะเราจะนำไปั master. ผู้มีความโน้มัสูงอยู่ในทั้งการหงโลกที่ ผมนะ่ะรู้สึกเป็นหวัเป็นยาวกับพระเจ้าพระสงฆ์ขาน้าขึ้นทุกวันทุกวัเพราะพระสงเอาเวลานี้ไม่ว่าท่านว่าเราไม่จำติถูกรู้เราผู้กันหลั ง, ลงความดีที่ได้สัมผัสสัมผัสกันงานทั่วถึงไม่ว่าคารวาและอ่ า, า, า, ยานยอ่อมจะถึงความดี ยนื้อคาราว่าล่าสส <c oughs> มอตันสำหรับว่าเราแหวนรู้สึกว่าเอออ่านามอาัดตางทำไปจนเปนหน้าวิบัติปัญญามาคนเขาจักปูจัไปตำเขาอำไมได้ว่าพระเรานี้บวชมามากทาไหร่ที่สังสมแากตืนแากไฟ เขาไม่ตัวเองแล้วเขาขอไม่สังข์กับประชาชนผู้เคยความเครื่องสายก็เกิดความอิาาไม่ยา ตัวผีของคนทายมากขนานั้ น, น, นเวลาความตายมีสำลังมากอยู่แล้วในเวลาที่ไหวน้ำเพา่อโคจรของทายแง้ไปเจอทราบทีเข้าถึงตัวขนาดไหนก็จำเปว่าจับยืดตอกคอพัดทางทีแต่ละเอขนาดไหนเด้พวกทักษนี้ไม่เป็นธร ยืดกาะได้าการอนานนที่ได้อารสาราอสุจนไม่เหมือนพิเรศที่ยืดกาสัตโลกไม่มีจีวิตที่เกรรเาะอำทําเขาไม่เท่ า, ากันและไม่สมดุลยืดเกาะแต่กับพิเลศแต่พิเรศ น, นั้นไม่เ ห, เหมือนรากผีายทุกีแต่ซากอันนี้เป็นสากที่มพิษภัยพิเรศมีพิษ ทุกประเททุกปัเที่ผีใจเข้าไปทีกใจเราเระนั่งถึงสร้างถึงสร้างของไม่มาใจส่เราให้จากข์ทกข์ขัดขันเราจะถึงพระเกที่เราเป็นห่วงยันต่อให้เจ้าไปแต่ก็อย่างนี้นับปฏิบัติที่เสียต้องกับเราอยู่เสมอมานับจังจาวันนี้ ย่อมมีจิตใจลสู่ทงศีล้องตนสมอไม เมื่อไม่ค่อยมีปุ่ีการคอยแนะนำสอนแล้วจิตใจย่อม จ, จากลับกับกจับติตามการทำหน้นนตาต่างหน้านแล้วไปเช่นโต้ทำหน้านี่กันหาที่ทำสีทรรมทรรมตัวให้ดำร้อยข า, ทาดทะลุตรวท่านทำหน้าอิกใจที่มีความสนใจไปสันกับัดกับทรมคือสมาธมทวาม ท, าทาาั้งตัว สมาธิตมความแน่นทางบ้นของทางความทั้งหมดใจของใจจนกทั่งมีปัจนาปัญญาเพื่อความแจงแจงที่ิจจาระจำง่างนีสุดท้ายเป็นความเส้นโค้กับที่หลุตงหาไปโดยลำดับเลยดึงคำนงถึงศีรษะโตนุาหร่นก้อของตัว คีอว่าเป็นผ้าเกินผาคมีแต่ชิ้ส่วนเป็นของจริงที่แสดงออกตลอดเวลามีแต่ปยาฆ่าทางที่เป็นพิษเป็นพิต่อสีต่อทำขง ต, ตในในรงนี่ทเดกมันเข้มข้นมากเข้มข้ตอเวลาทำใ้ยราไม่มีํารมยาวแต ยได้หนัมั่นต่สู้ต่อได้ทุกไล่ะนันเป็นธรรมะแต่เรื่อศีลต้องมั่นถึงจะไม่มีธรรมศีลต้องมั่นคงนับตั้ง่วันเกิมาวันออกจากอุปชามาจากการบกิดศีล200ปีเต้องไ้นมนตแต่ตั้งแต่ตั้งแามีเยอะ การเป็นธรรมทานคานั่งต่อทีมีการอบรจิตใจของตัวด้วยพิษตะโทนทำใจจริงตามสมเกียติด้วยอัตโนมัติยามถึงได้ที่จะทำใจใั้สมเกียรตมีคามสุขเป็นที่อบอุ่น ด้วยบทธรรมบทใดก็ได้ตามแต่จักวิสัยที่ชอบในธรรมบทนั้นนั้นื้อนาออกมาดึงกำกำอับจิตใจของตนโลมีสติจดจ่อถกับคำปฏิกรรมไม่เผลอไหลไปทำให้ติดหด้าผิดกับคำปฏิกรรมทำปริกรรมก็ติดแนกถผิดตัดใจมิเว่ยกัดอะไรไ แม้จะสู่จากเพลองจะลำบากลำบากก็ยังทราบว่านี้มีต่อสู้กับกิเลสกิเลสไม่ ด้วยคามใส่สารธรรมฐานขงอุเบนี้เจ๋งมาก ชอบปบเป็นมีจิติสรยชอบทำบุงเช่นอาณาปานสติบ้างชุบโถวบมือบ้างสังเกตบ้างหรือมนานะสติกได ปิดจที่โสไมทิ้ฉทางอารมณ์ง้อนซึ่งป็ริงเป็นจังเรื่องมาดเอาน้ดับไฟที่สติเั็นยารอหัวใจที่ดี่สร้างสิอบขางนั้นให้ใจสด้วยการักจะสงบขึ้นมาสงขารนมานี่เรียกว่าทำเปิดที่ใจ การแสดงผมจิตใจสำนึกท <fifty S 1> so kind of ี่มีความสนใจในต่างในทางเช่นเดียวกันกับที่ถ้าสนใจกัที่ที่เขาต่อไปทางคือทางทางของมั่นใจตัดสนใจน่างทำาต่อจิตใจให้สงบมาว่างลไปทั้งทั้งที่ไม่ทาเปจิตราะเราไม่เค้ นี่อำนาจแห่งจิตที่มีคามสงแล ะ, ะแดงความแบบาต่ละขั้นการสึ่งให้เจ้ของได้ชมอย่าง เ, เท่านั้นที่กกท็เทียงฝนเดียวเท่านั้นแต่ความเทียมนี้สังอยไม่มีวันสิน้นสุด ปัจจุบันน้ปัจจุบันน้นี่เรมมักเกิดที่กาางการมากันน่งอแตอย่างในีให้ พ, พิจ <dar> ัสำหับการนี้การหลวงาต้อมทีนี้สอนสอนทีนี้ถึงเลาี้าสมมิเนี่ยจะมีความเจ อยู่ที่สมาธิติดีสมาธิโดยมีความสงบ ตังแต่ผิหังเข้าไปีคุณภาจังนาทำลาเอตให้โค่นแปัจจุบันนี้ด้ยอำานามงตที่ทไปจตรงสเลสงนามของเราที่ถเราไม่ต่อเหื่อใจก็้าง้านเมื่อเวลาทำหน้าน อยากจับรู้ได้ข so ึ้นใจเพราะจิตใจที่อิารมณจิตใจที่อิ่มอารมณ์ตั้แ่สมาธิเป็นเครื่อนอยึดไม่มีเหนือกับอารมยาครอยากหยอยากเป็นเช่นนอยาเป็นเช่นนีชิ้อานตรงแต่งตลอดเว จิตใจจะให้ถลายแ่ทา้านที่แฉลบข้ามเลยนจิตใจความสยวค่อยค้มงนทางานปัาอที่ท่านพยานไวนา้ทั้งล่ I heard that. ที่สมาิารอ่ของติ๊กไม่สึมับต่ามกับสองตางกมีอุกกาเล็ตมีปัญญาปัญญาต้องเรนต้องถกได้ใช่มับปัญญาเป็นัญญาลดกใชงที่ท่านแสดไว้เป็นต่างมากท ที่สมาธตกตนี่กะมีย่อมมีมากมี ต้องแก้วว่ทกับโหรานพิั้งหล่้าเลยแยกากอนกันไปตามน้ำตักตานละตามหนาอัยาความเทียดหายปควาหลุากริดที่แต่งานชิงท่านันยา่ที่บางแก้วก้ากเสมอ ทุกทสิ่งทุกทอย่างที่เรื่องของเกลือกจะไปลอยไปหลุดลอยไปพันาทะลุตรงกระทั่งถุเงเกลือ ท, ท, ที่ติดแน่นกันติดจับในจะขาบตะบ้านลงไปแต่ไม่มีสิ่งใดอยู่นานที่ติดก็มีโคดจับถูกคิดถูกตอนนี้ทั้งกระตัการทั้งแยกปัสสาวะข้าม ศัพท์ของรัฐก็สุดยอดโารอาเป็นศัพ์ของสาวโลตังยอดก็คือขาพาให้ชื่อไปตัดใจด้วยการนี้นี่ติดเยอะแลการอบรมศัพท์พ่อตังอยางตั้ต่มปกาต้งมีมนจะไม่นอกหนอไปจากธรร การนี้ใหญ่เลยเพะฉะนั้นคู่คู่ไปเอะรอตักาทมีจิตันอยู่กัรมับพรทั ปัญญาลึกหนาข้นไตรงสาระติ้นแค่ตนใจของนผู้นี้เป็นผู้มั่นทานเถื่จากสาราแต่และเป็นทู่มั่นทานเถื่อจากธรรมจากมรรคผลธรรมาปฏิมัติตามหออาาาลักลึกหนาอยู่สาระ ตู้นั่งข้าวบัวไปที่นั้นมีสารสลจยเต็มไปหมีสารสลายเต็มที่อย่นงไรที่สลายไม่ต้องคิดแต่ใจแต่ใจแทบตู้ได้ว่าจะเป็นการเฉลิมทานเฉลิมถือเฉลิมถ่เพราะการทจากที่นั้นเป็นธรรเป็นรรมชาติที่ากลื่นึงาเติ โลกต่างๆสมาชิกทุกโชคลนอกจากโลกที่ที่เราสนใจตัดคำถือคำเป็นชักดีมันก็บอกว่าคือวรชั่วเพ่อเเรื่ององมันมันจัตออแล้วเป็นของอย่างนี้มันเป็นน้ำตั้งโดยเราจะไปสนใจตามที่ในในทางถือคำถือเพียง ยาไปจังหนี้แบบนี้หนี้โลกเราจะเป็นตัว อันไม่เล่มก็มากนเรืน่องากโดยเดี่ยวเพราะจ้งหลัทำหลักอย่ใไม้ตัใจนนี้ละปัจจุบันนักรมอยู่ที่ตรงศาสนาก็อยู่ที่จุดนี้นักผมที่ผ่านก็อยู่ที่จุดนี้ยาตอกทำก็อยู่นัเป็นนักเป็นธรรมเป็นงาที่สอนเพื่ ท้าถึงมากถึงขนาดต้จนไปไปถือจริงถึงถึงได้เนนั้นเองที่ป่าทางตอนนี้ที่ตัดเาการเลือกทนี้อย่างนี้การตั้งกฎการเมืมันถึงขันอยู ให้ดูเทพนี้จะป็นงานือัวตเ็นเที่เป็น้วถรความนในเเป็นนาตามนั้นานที่ต้องของาต ที่มีพระสงฆ์เป็นพ่อซัมซ้อตั้งใจเลือกบัตรยืคือพิจารณาเราเป็นห้าเวลาพระสงฆ์ข้าไปเข้าความรู้ใจพระองค์ทงจีสา ในสมัยปัจจุบันนี้พิเศือพิยียวับเียัเี่ยววัดเี่ยววเี่ยวเี่ยวีเี่ยวปถทนันนีอเ่ทั้งหนไดู้่ไรอย่างดีีนนีอยู่เครื่องขับกล่อมันันหทุกวันนี้ยิ่งท่าา เร่องกอสกาที่เ้าใเการกิปปัเห็นสิ่งนี้เป็นแล้วกลับตายมาเป็นกุณมอะไเป็นที่พรลกหน้าผีหน้าเป็นที่เรยกยอดขสมตั้งเริ่ั้งแต่น้ำสิจฉุกโชัทเทวภัครมีโอทศลัทษมีถอ เป็นยอดแห่งมหาเยี่ยมเป็นอดแห่มัพวกอ้ชตยุทธิยุทอุรัดินี่เป็นสืทางที่จะให้ดูเหับดทั้งที่จะมาปรัาคอไร้การคอกาวถึงโทรศัพท์ถออาเได้โทรท์มถเากับ้าทงวที่สุดทางต่ ที่ต่อต้องอตรงไหนตรงไหนตรงไหนนัดกันไปได้ทั้งหมดจากโทรัตท์นี่ลมีเวล า, ากก ท, วววที่เชิญวักันไปดิญด้ันต้องไที่ากจะจนัดคับานาวัดเรามีนีๆๆน่และเอาให้ตัดขาดสำหรับวัดเ่าวันวีน้ น, ๆๆนี่เป็นเรื่องของ การไล่จัจับจีนก็เป็นอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องของตั้งหลายทีมีแล้วเป็นอะไรังวันวอำนาจของที่ท่านทั้งายให้ชีพน้านี้างาจะเปิดาไม่ทำตั้งหท่านทั้งหล ท, ที่จะตัอดขอดขดน่าทที่จะเื่อผมไม่มีทเพราะฉันี เรื่องมั้นเสิรศัพม่่ทางเข้าปง่ ร่างาโลกนบเป็นจัโลเชนเดกที่เราอาศั่เป็นวิเขาเป็นยังวิชาของอรนงอยู่าิชาเหล่านั้นไม่เตองสัมผเวลานี้การ้นมาเป็นวิชหลักใจ่ที่ทเดีดตั้มาสหรให้าคนที่ได้อย่างรวดเรด้วยวัดไหนก็มีแต่วที่เดียดัวิชาโโลกง้ี ตั้งต้นจนระทั่เป็นมหาวิทาลัยอรอวหาัตังตั้งวิัยเจ้าขเตตาแล้วนำแผ่มาแล้วถรินมาวิทาลัยของต่าปนมาจงสรงนาตั้งต้นสางขึานห สิ่งเหล่านี้จะนั้นเป็นอำนาจของขั้นได้ไหมที่มัน เขเอาเขาอาแบบผมเลยครัไม่ต้องต่งตุนงติีงติดตจะเป็นแบบเป็นแล้วเป็นวสมดุลหน้าดิ้นหนาหาแหนักก็ใส่ผู้หลังแล้วส่างเกง ทาขวดที่เจ้าวนไว้เเื่องขุ่มน้ำใส่ชาช้ำเข่าวใส่ดดังเพื่อนำมาแก้ไขแบบในช้าน้ำในชานานอยะเลประชนทมเป็น่เป็นสองเรื่องเามอารื่องหัวใจใจจิตยาเมียยาตางกมีผลส่วน ชุดหนึ่งชุดหนึ่งทอเสมุนก็ไปซื้อของโต๊ะสั่แล้วแต่นั้ is <laughs> อย่างนี Son ้สิบเอาขึ้นาต่ออะมใเรื่นะหนึร้อยละสองร้อ่ใชเรื่องอันเป็นของเราีนวันเดีวเดี๋ยเราเอไมเค่อ้ายงนัทจตัดเป็นงานยวจะไม่ได้นี้ and <laughs> เดี๋อาเลยวันนี้เจ้าเล่เจ้่มจำไดังไม่มีอะไรละเพราะฉะนั้นพูได้แล้วงเพูดได้แล้้มีดักตมันเดินเราข้าทางนี่ยหัวใจเนียเี่ย้าเนยมันฟังดีนะเนียทานตัตอกมันเนเ่าข้าลตานึ่งคับเน้ไอ้คนบ้างหลวงตา กันกับทอเท่ากับยูเขยตากับยูเขย่าก็บยูเขยแล้วยูสะพัยกับหญาเนื้อมัดเอากันเรื่ยคู่นียูสพ้ายยูสะพากับหญ้าแล้วตากับูเขยอีกแล้วเงกับหลงตาเป็นอย่างนมักเป็นคู่กันนั้งเวลาจะไปเทศขั้นบอไปเทศอะไรอย่างเง หลวงตาก็ไม่ชาเกล็ดอะไรไม่มีอะไรกลกันเนี่ยเรีนสอนนี่สอนหโอ้ย่ายอะไรองอเยเดินมทางก็ได้าเนเฮ้ยจะจายไวเฮยผมจะาไปเองใครี้งเสียงผมนะผมว่าอ้หรือจำมือาวนี่มั หลวงตาเดินตามเล่นเขาเดินไปทางข้างเป็นยิเสียงรถกระานงเนีตตอักระลาาาเนกานีหลวงพ่ันทั้งเหลาเลยเป็นภาที่เสียงเสียงอะไรยโอยเสียงเสียงกากตัดต่ออันนี้เปนถช้าจวนะสอนหลกตาเลยขาเดิไปเดินไปเขา กไกามันก็ินผานแล้วน่านี่มน่ยอ right. <im> ิไปมากอะไรยก่ปมาบนจานั่งพอได้สอแล้วิจานั่งชัดต่อต่อ่เาบินไปาเไ่ปาไปแล้วไปก็ไปหนะเียรเขียน่นรถกรเียมันาไปนีรเน สามคนนะสองคนนะหนึ่งครับก็พอสองหนึ่งมากมาไอาบนั่งผาม่เงนไม่เสีพรไปถึงงหมดเลยสามสามคี่ก <se> like ็ได้การเซอร์กันหน้ากันหน้าขะกันไปเพราไปงานเขากบบานเขาเป็นนิสุยายังไงนีก้วยนีออ ย่างเขาจะท่ามื่นีก้ยาก้ยนะนีู่ง่างเขาเรี่างยางเากงนะั้งหนเีงย่นั่นเ่างเขายเต็มวันเของเขาใช้เคื้อเอนนี้มนแเรื่ออนีมแคึตัดต่อนั้นแนโค เดี๋ยวครับเดี๋ยวปีมามันแงชายมาเีข้งข้งตามันแอกเฉียเียนมีม่กเห็นก้วยเขาก้วยั่งมันเป็นกล้วยตกล้วยย่งเป็นทางั้งบ้นก้วยทั้ก้วยอย่างนี้ทนี่กับเขาไปถึงปีนขางตามันแยงดอเฉียดม่งก็เห็นก้วยมี อ่าหาท่านกลวยสวยร้วยองอู่เนี่ยมันเรสวยอแอล้เท่านวยมัมวย่่วยถึงอทีอท่านวยสวยสยรยานขักประยลมว่าไเเขาไปปุ๊บก้วยแล้วปบอย่างเขาเอาโดกวยแล้วปบปบนเขาเอาของ ม้าหอยระฆังนายนีมันมาเปนมากไปเห็นกล้วย่ังข้างขอหลายอย่างนี่มันดูข้างานมันได้กล้วยกล้วยตีหรืออย่ท้งหลังมันมันกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ามกล้วยหองกล้วยไข่กล้วยอยงนไปดูอนนี้เขาก็องมาตกล้วยยก้ไปนี่มันเสียดายที่เห็นกล้วยมันจะกลัวมันจะตเป็ี่ยนหมดเลย ไอ้ข้าวกล้วยใส่ย้อมใส่ย้อมไอ้ข้าว t h งถัตยุ่งถึงหน้าเพร้เขาเไอ้้วยมียและเขาถึงถึงหน้านี่ก็ไอ้กล้ยกล้ยน้ากล้ยหมไม่เป็นไรมันมันเป็นกระงเป็นวยตีนน้อยมาเขาไปเลยเอาก้วยน้ำตาลแท่แล้วเอา้วับถึงมาน้าที่เจบกันเพอ เรา s จเย็นนยเพระว่านี่เป็นท่าเนี่ยั้